พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสบเอ็ดลำดับที่ยี่สิบโดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ห้ามีนาคมสอง6ันห้า้อห้าสหมีชื่อเรื่องว่าศีลธรรมคือหน้าที่จะต้องทาวันนี้เป็นวันที่ห้า มีนาคมพุทธศักราช 2,556 วันนี้เป็นวันพระนะวันพระแรม8ค่ำเดือน3วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นวันทำ บ, บุญเป็นวันสมาทานศีลของพวกเราคือศาสนาอื่นอย่างคริสต์อย่างเนี้ยเขาก็ยังมีวันทิตย์วันเสารวนอาทิตย์ แต่พุทธศาสนาชนของพวกเราเนี่ยรู้สึกว่าจะห่างเหินพอสมควรที่นับถือพระพุทธศาสนาโดยมากก็อยู่ในใจต่างคนก็อยู่ในใจของใครของเราต่อไปก็เลยคำว่าอยู่ในใจก็เลยห่างไปเรื่อยๆติดใจของเราไม่รั่วเอาอะไรเข้ามาสู่ในจิตใจของเราโดยมากมันจะเอากิเลสโลภโกรธหลวงเข้าสู่จิตใจเสียมากกว่าที่จะเอาธรรมเอากุญงามความดีเข้าสู่จิตใจ เพนั้นควรจะแสดงออกพุทธศาสนากชนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอย่างวันพระแปดค่าสิบห้าค่ำควรจะแสดงออกอถึงจะไปแสดงออกในวัดว า, าศาสนาก็ควรจะแสดงออกข้าพเจ้าวันนี้เป็นวันพระของข้าพเจ้าวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าบัญญัติศีลธรรมข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนกชนตั้งแต่บัดนี้ข้าพเจ้ามีการงานข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้า ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ย4สสี่ชั่วโมงควรจะสมาทานศีลถ้าใครทำได้อย่างนี้แปลว่าศีลธรรมอยู่ในจิตในใจจริงๆเพราะเราบูชาเรื่องศีลห้าที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้สำหรับอุบาสกอุบาสิกาโยมผู้หญิงโยมผู้ชายที่มีภาระมากที่จะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพแต่ทึงยังไงก็ควรจะมีศีลธรรมในจิตใจ ข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าจะไม่คิดฆ่าใครไม่ว่าสัดเล็กจัตว์น้อยไม่ว่ามนุษย์ข้าพเจ้าจะไม่ขโมยสิ่งของของใครที่ไม่ใช่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่เบียดบังไม่ขโมยของใครโดยเด็ดขาดข้าพเจ้าจะเคารพสิทธิ์ในสามีภรรยาลูกหลานของคนอื่นข้าพเจ้าจะไม่กล่าวมุสาโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาข้าพเจ้าจะงดดื่ม สุราและของเสพติดทั้งปวงที่จะทำให้จิตใจทําทำให้สมองปั่นป่วนเปลี่ยนแปลงขาดติข้าพ เ, เจ้าจะไม่ทำถ้าพวกเราทุกคนมีศีลธรรมอย่างนี้แล้วประเทศชาติหรือชุมชนของพวกเราก็จะร่มเย็นเป็นจุกได้แต่ถ้าหากว่าพวกเราขาดศีลธรรมอย่างมากน่าจะให้พระท่า น, นรักษาศีล เป็นผู้มีศีลธรรมข้าพเจ้าภาระมากก็เลยปล่อยให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอให้เป็นผู้รักษาศินเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีแล้วคนชั่วแต่ไหนมากมายคนนั้นก่อชั่วคนนี้ก่อชั่วต่างคนก็ต่างชั่วเมื่อชั่วแล้วก็นั่นแหละทำความชั่วชาติเสียหายหเกิดขึ้นเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดทแต่หากว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจ ศีลธรรมเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าทุกคนข้าพเจ้าคนหนึ่งจะต้องเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีนับหนึ่งจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นคนดีคนหนึ่งในชาติบ้านเมืองถ้าพวกเรานับหนึ่งจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่คิดฆ่าข้าพเจ้าจะไม่คิดขโมยไม่คิดคโกงข้าพเจ้าจะเป็นผู้เคารพสิทธิในสามีภรรยาคนอื่นเขาข้าพเจ้าจะไม่กล่าวมุสาโกหกต้มตุนหลอกลวง ข้าพเจ้าจะไม่ดื่มธุราให้ขาดสตินี่แหละสรุปแล้วคือคือสินห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามองดูแล้วก็คือใจเขาใจเราะใจเขาใจเราคืออย่างไรถ้าว่าเราไปฆ่าเขาถ้าเขามาฆ่าเราเรามีความรู้สึกอย่างไงเมื่อเขามาฆ่าเราเราเสียใจในเมื่อเราเสียใจเราก็จะไปฆ่าเขาให้เขารับสิทธิ์กันขโมยก็เหมือนกัน สามีภรรยาก็เหมือนกันกอบมุสาก็เหมือนกันถ้าเราไปโกหกเขาไปต้มตุนหลอกลวงเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาต้มตุนเราล่ะเราก็เสียใจนะนั่นแหะสรุปแล้วก็คือสินห้าของพระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นว่ากระทําขึ้นมาแล้วทําให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าเขามาทําให้กับเราเราเดือดร้อนอย่าไปทําำแต่ทุลาล่ะตุาลาเนี่ยขากินคนเดียวข้าไม่เห็นว่าจะให้ใครเดือดร้อนปากของข้าไปเจ้าข้าไปเจ้าเมาเองเนี่ย ไม่เห็นจากใครเดือดร้อนนะใช่ถ้ากินเสร็จแล้วก็เข้าไปในห้องปิดประตูสัอก็องเงียบไปก็ไม่มีอะไรแต่มีสองคนขึ้นมากันนั่นแหละเท่เนี่ย เ, เมื่อขาดสติถ้ใครจะปาดคอใครก็บมุดด้วยในสองคนนั้นอีกเออในเมื่อดื่มสุชราเข้าไปแล้วก็ขับรถเนี่ยเสียหายเลยเท่เี่ยพอขาดสติแล้วมันฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ลาลาประโรงสามีภรรยาลูกหลานใครก็ได้โกหกใครก็ได้ แต่มันกินขาา้าวปลาตัวเองก็จริงอยู่แต่ว่าทําความชั่วมันเสียหายทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราพุทธศาสนิกชนต้องช่วยกันคิดเหมือนกันหลักของพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนจะต้องศึกษาเพราะบางคนเข้ามาศึกษาในหลักของพุทธศาสนาใจแคบไม่ได้นะต้องใจ ก, กว้างต้องเปิดให้กว้างต้องยอมรับจะเป็นใครก็ตามพูดขึ้นมาแสดงขึ้นมา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 เรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องอัดเรื่องทมเรื่องทมคำสอนจิตใจของคนนั้นท่านผู้นั้นก็จะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสยอมรับในรมคำสอนที่เป็นมีเหตุผลนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วสุดตรรมะปัญญาเป็นบาลีขึ้นมาสุดตรรมะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามธะปัญญา ปัญญาเกิดจากการจินตนาใข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนที่ได้ยินได้ฟังมานี้แล้วก็ภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบคำว่าภาวนาคำนี้เนปะือเป็นหลักของพระพุทธศาสนาคำว่าภาวนาคือทำจิตใจให้เป็นหนึ่งซะก่อนรอบจิตให้เป็นหนึ่งซะก่อนเมื่อจิตเป็นหนึ่งจิตนิ่ง แล้วคนนำจิตนิ่งนั่นนำมาพิจารณาการครองไตรตรองเหตุและผลเรื่องราวต่างๆก็จะเป็นปัญญาที่แท้จริงนี่แหละอันนี้ก็คือสุดตระมยะปัญญาต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังซะก่อนถ้าไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อนนั้นเราจะรู้หมดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เราจะต้องศึกษาสิ่งที่เราไม่รู้เราต้องศึกษาเมื่อเรารู้แล้วก็เออใช่อันนี้มีเหตุอย่า ง, างนี้อันนี้มีผลอย่างนี้ อันนี้มีคุณอย่างนี้อันนี้มีโทษอย่างนี้จะปฏิบัติตนอย่างนี้มันจึงจะถูกต้องมันจึงจะเป็นธรรมนี่แหละสรุปแล้วคือทมคำสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าเนี่ยท่านให้ฟังใหาได้ยินได้ฟังจากนั้นก็รวมลงมารวมลงมาแต่ทางโลกของเขาเนี่ยเขาจะต้องศึกษาศึกษาในเรื่องราวต่างๆทางโลกวิชาความรู้มากมาย อย่างครูบาอาจารย์พี่ผ อ, อที่นั่งอยู่ข้างๆหลวงพ่อหลายสิบท่านผ อ, อที่โรงเรียนมีทั้งคณิตทั้งวิทย์ทั้งกิตมีมากมายอันนี้นก็คือวิ ช, ชาอีกแขนงหนึ่งแต่วิ ช, ชาอีกแขนงหนึ่งก็คือวิ ช, ชารักษาโรคภัยไข้เจ็บเป็นคณะแพทย์หมออันนั้นก็ไม่รู้ว่หมอไหนตัวหมอไหนอีกเหมือนกันมากมายแต่วิ ช, ชากฎหมาย ก็มากอีกมากมายอีกสรุปและวิชาในโลกนีมีมากพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ว่าพัสนเพชรคือเาอเป็นผู้ตรัสรู้รู้หมดทุกอย่างพระพุทธเจ้าแต่ท่านบอกว่าเราได้นำทำคำสอนของเราตถาคตมาแนะนำศรัทธายาดโยมพุทธบริษัทสีของพระ อ, องค์นี่ถ้าเปรียบ เหมือนใบไม้ที่มันตกอยู่ในพื้นแผ่นดินเราเออกมาเพียง ร, รมเดียวที่มาสอนให้แก่พุทธบริษัทของเราแต่ความรู้ของเรานั้นมากแต่มันไม่เกิดประโยชน์เพ้อเพอจังเกิดโทษอีกที่ความรู้ของเราที่รู้ไปแล้วเพราะนั้นเราจะไม่สอนสิ่งที่เกิดโทษจะสอนในสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์ในพระธรรมคำสอนท่านก็ยกเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาและที่ เรื่องสมาธิปัญญาเลยทำไมการอยู่ด้วยกันจงต้องมีการเสียสละถ้าคนอยู่ด้วยกันไม่มีการเสียสละต่างคนก็ต่างอยู่พ่อแม่ก็อยู่ด้วยลูกหลานไม่ได้พ่อใครๆอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะไม่มีการเสียสละต่อกันไม่มีให้อามิจตทานต่อกันอามิจตทานคือให้ข้าวน้ำโภชนาอาหารยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยผ้านุ่งห่มอันนี้เรียกว่าอามิจตทาน วิทยาทานก็คือให้ความรู้เขาที่ไม่รู้เราพยายามแนะนำสั่งสอนให้เขารู้ในเรื่องที่เขาควรจะรู้นำวิชาความรู้ของเราที่เราสอนไปประกอบสัมมาชีพอันนี้ฝ่าวิทยาทานธรรมทานก็คือเราได้ยินได้ฟังทมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์สาวกนำพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า มาบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนอันนี้บาปนะอันนี้บุญเนะี่ยอันนี้คุณนะี่อันนี้โทษเนะีน่ยนรกสวรรค์มีจริงนะตายแล้วเกิดนะตายแล้วไม่สูญนะตายสิ่งที่เกิดมันมีนะต้องศึกษาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็คือแ น, แนวทางอันนี้ว่าธรรมะฐานเอคืออบรมทางความรู้ทางด้านจิตใจเป็นแนวความคิดอทางด้านจิตใจอันนี้ว่าธรรมะฐานและอภัยยะฐานย คือการอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปล่ะแล้วต้องมีผิดมีถูกบางทีก็พูดผิดบ้างบางทีก็พูดขาดความเคารพซึ่งกันและกันบ้างถ้าหากว่าเราจะถือโทษโกรธเคืองอยู่ตลอดเวลาเราก็มีแต่ความพยาบาทอาฆาตจองเวียนกันอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นบางครั้งต้องให้อภัยอภัยยทาฐานเว้นเสียแต่มันช้ำซากจนเกินไปจนอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องหันหลังให้กันหนีให้ห่างอหรือว่า ต้องมีผู้เป็นกลางขึ้นมาอย่างพิภาคษาตัดสินเพราะมันมันเกินไปแต่ขนาดใดขนาดเดิงก็ต้องอภัยทานคือให้อภัยซึ่งกันและกันนี่แหละทานะคือการฐานสินก็คืออยู่ในกฎระเบียบอย่างที่ว่าในสินห้าสำหรับกราวาิญาติโยมแล้วเรื่องธรรมเถสมาธิธรรมจุดเนี้แต่สมาธิเนี่ยเป็นเรื่องที่ พระพุทธเจ้าให้ความสนใจอย่างมากในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าที่ท่านออกจากเวียงวังไปอยู่ในป่าดงพงไพ่ถึงหกปีไปค้นคว้าศึกษาจุดนี่แหละจุดเรื่องนามธรรมเรื่องสมาธิธรรมเรื่องปัญญานะในวันเดือน6กเพนพระพุทธเจ้าได้เป็นนั่งภาวนาอยู่ทั้งหปีนะนะไปอยู่ถึง6ปีแต่วันสูตรสาเร็จวันค้นพบหรือว่าวันที่ตัดสู้ วันที่รู้แจ้งเห็นจริงคือวันเดือนหกเพนท่านนั่งอยู่ที่โคลนต้นโพี่พุทธกยาตอนหัวค่ําพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินในวันนั้นฮะเือพระอาทิตย์ยังไม่อจระลงฮะท่านนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงหันพระพักไปทางทิศ ต, ตะวันออกจากนั้นก็กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตใจแฉลับไปทางอื่นปรุงฟงไปทางอื่นให้จิตใจนิ่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตใจหรือพระภัยของพระองค์อยู่นิ่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกมีสติสัมปะชัญญะอยู่ตรงนั้นจากนั้นพระภัยหรือใจความรู้สึกของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่ง คือต่ก่อนมันจิตมันผ้ามันคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรุงนั้นปรุงนี้่กระซับกระายเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเรื่องอะไรก็มีอะไรมากมายแต่บัดนี้ให้อยู่ที่ลมหายใจกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกไม่ต้องคิดเรื่องอื่นจากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งพอรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วทตเนี่เกิดญาณทัศนะเกิดฌานขึ้นมาในความรู้สึกของพระองค์ใจตรงนั้นเกิดฌานญาณทัศนะ ไทยของพระองล้ำลึกชาติโหนหลังได้ปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติล้ำลึกชาติโหนหลังได้เ อ, อเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาเรายืนยันได้เลยว่าตายเราไม่สูญพราะพุทธเจ้าได้ตรัสรูรร้ท อ, อขั้นแรกคือตรัสรู้ปุเพนิวาสานุสติญาณถ้าเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวจะระลึกชาติหลังได้ยังไงอย่างพวกเราเกิดมาพ่อรเพลงขึ้นมาวันนี้เ อ, อ มันไม่ผ่านเมื่อวานเนี่ยพวกเราจะ ล, ลึกชาติได้ไหมเมื่อวานเออข้าพรเจ้าผ่านเมื่อวานพูดได้ยังไงเพราะตัวเองเกิดมาวันนี้วันเดียวฮนะเนี่ยแหละ พ, พระพุทธเจ้าจาังหวะปุบเพยในวาสารส้ติตญาณล้ำลึกชาติโหนหลังได้คือชาติเลยแล้วเป็นยังไงชาติก่อนเป็นยังไงชาติก่อนไล่เลียงเป็นหลายหมื่นหลายพันหลายแสนชาติอย่างพวกเราท่านทั้งหลานยะวันนี้มีเมื่อวานวันก่อนอาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อนฮนะกี่ปีฮนะพวกเราเกิดมากี่ปี นั่นแหะอดีตชาติคืออดีตนั่นนหละแน่ๆปุเพนวาสารนสุติคือมองตนเองฮะพอถึงเที่ยงคืนก็มองคนอื่นเถอะนะจูโตปปาตยานคือได้ญาณอรทัศน์ขึ้นมาอีกพอถึงเที่ยงคืนคือมองคนอื่นคนนี้มาจากไหนมาเกิดทําไมจึงโง่ทําไมจึงฉลาดทําไมจึงสวยงามจึงไมขี้หลายขี้เลจทำไม่จึงหูหนวกตาบอดทําไมจึงเป็นบ้าใบทําไมมันเป็นอย่างนี้ฮ คนเราเกิดมาถ้าไม่ไม่เหมือนกันทำไมมันเป็นอย่างนี้พราะพระพเจ้ามองมองมองมองดูดู ด, ด, ดูไปหาตน้นต้นต่อโอกรรมคือการกระทำถ้าใครทำกรรมดีคนนันค น, นั้นดวงวิญญาณนั้นมาเกิดก็ได้รับผลดีเพราะเขาทำกรรมดีถ้าเขาทำกรรมชั่วจึงที่มันไม่ดีคนนั้นก็เป็นคนชั่วอย่างทุ่พ่อเคยยกให้ฟังแบบพโมกขลาน แต่ชาติก่อนท่านเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ของท่านในชาติก่อนพอมาชาตินี้ถูกโจรฆ่าทั้งที่เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าถูกโจรฆ่าที่เมืองกรุงราชคือเมืองกาละสีลานคนทั้งหลายก็งงกันเนเอา้าทําไมพระโมคคัลาเป็นอั克拉สาวกเหาะเหินเดินฟ้าได้ขนาดนั้นทําไมถึงถูกโจรฆ่าได้ไง่ายง่าทไมคนทั้งหลายก็โจยขานกันมากราบทั้งทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่า โมคคลาตายสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทำไว้เพราะโมกคลาเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ในอดีตชาติเพราะนั้นกรรมนั้นตามสนองเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากรรมชั่วอย่าทำเสเลดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองได้รับความทุกข์เดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นอย่าทำกรรมชั่วเนี่แหละทำคาสอนของพระพุทธเจ้าจากจนี้เออ พระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้ตอนสว่างก็ได้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเลยท่านได้ตดรัสรู้อาสาวกยายะญาณญาณอย่างรู้ว่าพระองค์หมดกิเลสแล้วอหัวคว่าเลยวะปุเพนิวาสานุจติญาณพอถึงเที่ยงคืนจุตูปปาตญาณพอจนสว่างอาสาวกยายะญาณพระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้ทำสามอย่างในวันเดือนหกแผ่นะที่ท่านไปค้นคว้าศึกษา จากนั้นท่านก็ประกาศพระศาสนาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราไม่มาเกิดอีกแล้วสิ่งที่จะทำให้เราเกิดนั่นคือกิเลสโลภโกรทหลงแต่บัดนี้เราชาระใจของเราออกหมดแล้วโลภโกรหลงออกจากใจของเราแล้วใจของเราบริสุทธิ์แล้วเราจะไม่เกิดอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะเข้าสู่นิพพานแล้วนอันนี้แหละคือทำคาสอนของพระพุทธศาสนาทมคาสอนของพระพุทธญา ขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่านะนำไปคิดนําไปกันกรองศึกษาสรุปแล้วก็คือศึกษาอย่างที่ว่าสุดตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาอันในสงแห่งการฟังธรรมผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนเคยได้ยินได้ฟังไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจชัดบันเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังจะได้รับความผ่องใสนี่แหละสรุปแล้วก็คือเอทองอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาในเมื่อศึกษาแล้วฟังดูซีเอที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะั้นมีเหตุผลไหมมีเหตุมีผลไหมถูกต้องไหมอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะนําไปคิดนําไปกันกรองไตรตรองพิจารณ า, นานด้วยเหตุและผลเพราะทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกเราไม่ให้เชื่อทีเดียวนะ พระพุทธเจ้าดูก่อนสารีบุตรที่เราตถาคตพูดให้ท่านฟังเนี่ยท่านเชื่อไหมจริงไหมที่เราพูดให้ฟังภาษาเิียบุตรกราบทูลพระพุทธเจ้าวะอย่างก่อนพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติดูถ้าเมื่อข้าพระองค์ได้นําไปปฏิบัติดูแล้วได้ศึกษาได้นําปฏิบัติดูแล้วข้าพระองค์จะมากราบทูนเมื่อภายหลังพระเจ้าค่ะนะฟังดูสิ หลักของพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าให้จูงเหมือนกับโวควายไม่ใช่นะพวกเราท่านทั้งหลายสัทธรรณนัสต ايا ญาติโยมนะอย่างหลุงพ่อพูดปุเพในวาสานุสติญาณพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอย่างไรในวันนั้นท่านก็บอกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าแต่หลวงปู่มั่นท่านมาเสริมเข้าอีกนะทีนี้สัทถ ا ญาติโยมนะท่านเสริมเขาอีกว่า ถ้าเรากําหนดลมหายใจเข้าออกเฉยเฉยเนี่ยมันหลุดได้ง่า ย, ยให้สำทับพุทธโธเขาอีกนะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุโทธโทธพุโทโธกับลมหายใจเข้าออกนะจากนั้นจิตใจของเราจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งเหลวงปู่มันน ะ, ะอแล้วกูบายจ้าเนอะรวมเพรอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเน่งจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้น ในเมื่อจิตรวมสงบถึงขนาดนั้นแล้วนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายเนี่ยเหมือนกับรถทีนี่จิตใจตัวผู้รู้รเน่ยเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถเนี่ยไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเห็นได้ชัดเลยทีนี่กายกับใจจึงเราจึงยอมรับว่าพระพุทธเจ้าทว่าตายแล้วไม่สูญอือใช่ร่างกายของคนเราเนี่ยตายสูญแน่แล้เผาไฟทิ้งแน่แ่ แต่นามธรรมคือจิตใจตัวรู้ๆน่ะตัวนั้ น, นะจะไปเกิดปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆมันเข้ากันได้กับธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นในหลักพิสูจน์คือตรงเนี้ยให้พวกเราท่านทั้งหลายนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้วน่ะเป็นอัปปนาสมาธิแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะแต่หลวงพ่อก็เคยแนะนําบอกกล่าวให้แก่คณะสัตายาจ่าโจมอีกเหมือนกันนะ่หลวงพ่อเออทดลองแล้วนะ หลวงพ่อเคยทดลองมาแล้วเวลานั่งภาวนาเนี่ยเวลาหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองนับเลขนะพวกเรามันเคยชินกับต่อการนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถึงร้อยพอถึงร้อยก็ น, นับอีกถ้ามันไม่เผล่นะโดยมากมันจะเผล่นะใหม่ๆมันจะเผลอนะนับไปถึงเท่าไหร่เมื่เผ ล, ล่ละมันเผ ล, ล่เอย ถ้ามันเผลอะแสดงว่าเราขาดสติในช่วงที่มันเผลอไงว่ามันเผลอยังไงเวลาเรานับไปหายใจเข้าเป็นเลขขี้ใช่ไหม 1. หนึ่งหายใจออกเป็นเลขคู่สองหายใจเข้าเป็นเลขคี่สามหายใจออกสี่ห้าหกเจ็ดแปดขี่คู่คี่คู่ขี่คู่ไปถึงร้อยนะถ้านับถึงร้อยแล้วมันไม่เผลอจะแสดงว่าสติของเราดี เออถ้ามันเผลอบ่อยๆนะไม่แม่นาไว้ใจเหมือนกันนะเผลอๆเป็นบ้าเป็นบอเป็นอัลไซเมอร์ได้ง่ายๆเหมือนกันนะเออพราเหตุอะไรเพราะมันเผลอใช่ไหมนับไปถึงไม่ถึงสิบเน่ยหายใจเข้าเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขคี่สลับเอครนปนเป ก, กันอย่างนั้นอ่ะใช่ไม่ได้แล้แต่เราเราต้องตั้งสติให้แข้มแข็งอีกฝึกสติอีกโอ้ใจใจใจไม่ได้นั่นเลยเราเผลออย่างนี้ไม่ได้ยขาดสติแบบนี้ไม่ได้น่ะเอาตั้งต้นใหม่อีกนี่แหละ เ, เมื่อต่อไปเราฝึกอยู่ได้เรื่อยสติของเราก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆรืสติอยู่กับตัวเองเนี่แหละฝึกดูนะวิธีการฝึกสมาธิมีหลายๆอย่างพระพุทธเจ้า ว, วางกรรมฐานไว้ทั้งสี่สิบอย่างนะนะไม่ใช่ใ น, น้อยนะกรรมฐานสี่สบเพื่อจะยึดจิตใจของเราให้เข้าสู่ความสงบแต่พระพุทธเจ้าบรมวัครูนะท่านกำหนดลมหายใจเข้าออกน่ยอาณาปารสติเนี่ย กำหนดลมหายใจเข้าออกเราจะยึดแบบกรรมฐานพระพุทธเจ้าก็ได้กำหนดลมหายใจเข้าออกแต่เราจะยึดกรรมฐานแบบหลวงปู่มั่นก็ได้หายใจเข้าพุทยใจออกโธหรือจะทดลองแบบหลวงพ่ออินแนะนําก็ได้เวลาหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองดูสิจะรู้ได้เร็วว่ามันขาดสติยังไงฮห้เนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะอย่างที่หลวงพ่อเนะีู่้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังให แต่บัดนี้หลวงพ่อแนะนําให้พวกเราได้ฟังแล้วนะจากนั้นก็นําไปกันกรองไต่ตองจากนั้นก็นําไปปฏิบัติเพื่อปรปับปรุงกายใจของเราสมบัติไม่ใช่ขมสมบัติของหลวงพ่อเองแล้วนะทเพื่อใครปฏิบัติได้ก็เป็นสมบัติของผู้นั้นต่อไปนะรับพรอนะโมธนาให้พร